คำนำคนจะมีธรรมะได้อย่างไรโดยสมณะโพธิรักเป็นคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรเริ่มลงตอนแรกในฉบับที่286เดือนพฤษภาคม2557ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักพิมพ์กลั่นแก่นได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ฉบับแรก ในวงเล็บ286ยที่ตีพิมพ์จนถึงฉบับที่301เดือนสิงหาคม2558เป็นรวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไรในวงเล็บเล่มหนึ่งในรูปเล่มที่พอเหมาะแก่การอ่านศึกษาหนังสือตามท้องตลาดหรือหนังสืออิเล็กทรอนิก ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ตามจะต้องมีเนื้อหาทำนองสอนลูกให้รวยทำอย่างไรจะรวยแบบก้าวกระโดดอายุน้อยร้อยล้านประชันเนื้อหาเด็ดเคล็ดลับชนิดตาลายเลือกไม่ถูกอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวคงมีชาวพุทธจำนวนไม่มากนักที่ทราบว่าการเป็นผู้มีธรรมะ นับเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ใดๆเป็นเศรษฐีในวงเร็บรวยแท้เมื่อไม่ทราบคนส่วนใหญ่จึงสู่เส้นทางรวยแข่งแย่งแบบปุถุชนโลกีและเบียดเบียนกันและกันอย่างสาหัสสากันเป็นดุจไฟนรกเผาไหม้ทั่วทั้งโลกรวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไรในวงเล็บ เล่มหนึ่งสู่ความเป็นเศรษฐีแท้อธิบายธรรมะระดับโลกุตระด้วยภาษาเข้าใจง่ายสามารถลงมือปฏิบัติได้ทันทีผู้สแสวงหาบางท่านอาจจะสงสัยสับสนในคำอธิบายบางช่วงบางตอนที่แตกต่างจากที่เคยรับรู้รับทราบมาหากเปิดประตูใจอ่านซ้ำทบทวนเพิ่มเติม ท่านอาจจะได้กุญแจไขข้อสงสัยที่เคยมีมานานประหนึ่งพบแสงไฟส่องสวาง่างทะลุอุโมงค์มืดในชีวิตก็ได้กราบน้ำส ก, การขอบพระคุณพ่อครูสมณะผู้ที่รักที่กรุณาอุตสาหะเปิดเผยแก่นธรรมสาระในรวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร แด่ชาวพุทธผู้ต้องการโลกุตธ ร, ธรรมเป็นทรัพย์ประเสริฐให้แก่ชีวิตและขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เสียสละจนกระทั่งงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีก้าวสู่ปีที่24เราคิดอะไรขอน้อมมอบรวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไรในวงเล็บเล่มหนึ่งเป็นธรรมบัญการแด่สมาชิกและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดีกองบรรณาธิการเราคิดอะไรสำนักพิมพ์ปลั่นแก่น